ยังมีวิธีปฏิบัติที่เป็นทางออกให้อีกอย่างหนึ่งคือสัจจกิริยาแปลว่าการกระทำสัจจ์หมายถึงการอ้างพลังสัจจ์หรือการอ้างออกความจริงเป็นพลังบันดาลหรือยกเอาคุณธรรมที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติบาเพ็ญมาหรือที่มีอยู่ตามความจริงหรือแม้แต่สภาพของตนที่เป็นอยู่จริงในเวลานั้นขึ้นมาอ้างเป็นพลังอานาจ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 หลักฐานในอัธกถาชาดกเรื่องพิสูจน์ความเป็นลูกทำให้ต้นออกลวงเพื่อช่วยฝูงลิงให้ดื่มน้ำได้โดยปลอดภัยลูกนกขอให้ตนพ้นภัยไฟป่าช่วยให้ชนะสกาให้เด็กหายจากพิษงูให้เรือพ้นภัยจากทะเลร้ายให้ประดานกพ้นจากที่กักขังบริจาคพระเนตรแล้ว กลับมีพระเนตรขึ้นใหม่ให้ผู้ไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัยในเรื่องนี้มีง่าอิงเทวดาบ้างอ้างความซื่อสัตย์ต่อสามีทำให้สามีหายจากโรคเรื้อนพระมเหสีขอให้มีโอรสให้พ้นจากการจองจำเพราะถูกใส่ความให้ลูกหายจากพิษลูกสอน ให้สวามีที่กำลังจะถูกบูชายันพ้นภัยนางโสเพนีให้แม่คงคาไหลกลับพระเจ้าอาโศกขอกิงมหาโพโดยไม่ต้องตัดให้พ้นจากการถูกลงโทษให้ช้างเหยียบในกรณีถูกใส่ความว่าเป็นโจรซึ่งในเรื่องนี้อัตถกถาอิงแห่งว่าเป็นอนุภาพแห่งเมตตา ลูกอ้างใจจริงของแม่ให้พ้นภัยควายป่าไล่องคุลิมานประสงค์ความสวัสดีแก่หญิงคันแก่ราชามหากปินะข้ามแม่น้ำด้วยมา้าพระราชเทวีทำอย่างมหากปินะเสียงดอกไม้ไปบูชาและนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ลูกหายจากงูพิษ ทำให้สามีหายป่วยอัตกถาว่าเกิดจากสัจจกิริยาแต่บาลีในอังคุตานิกายหายเพราะฟังโอวาทของภรรยาเรื่องเสียงทายว่ามีทักขินยะบุคคลหรือไม่มีข้อที่ควรเสนอไว้ช่วยกันพิจารณาอย่างหนึ่งว่าบางทีประเพณีการทำสัจจกิริยา อาจเป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งว่าจริยธรรมยังมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสังคมหรือไม่การเสื่อมไปของประเพณีสัจจกิริยาอาจแสดงถึงความเสื่อมถอยอ่อนแอลงในทางจริยธรรมเราในเมื่อไม่มีคุณธรรมที่จะให้เกิดความมั่นใจในตนเองก็ต้องหันกลับไปอ้างและวิงบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวฤตเป็นต้นคงเป็นด้วยเหตุนี้